สานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยก่อต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับป ร, รุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูณ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนายโศกอำเภอหนองหารจังหวั ด, ดอุดรธานีมาพบกันกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในเวลาเช้าช้าีอย่างนี้ ช่วงเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเป็นยามสุดท้ายของราตรีคือช่วงเวลากลางคืนก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นประมาณสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่ายามสุดท้ายของราตรีกลางคืนกำลังจะหมดไปกลางวันจะมาแทนบุคคลที่ลุกขึ้นในยามสุดท้ายของราตรีมีสติสัมปชัญญะ รู้สึกตัวขึ้นจากการหลับไหลขึ้นมาแล้วก็พยายามทำความแจ่มแจ้งในใจโดยการที่เจริญสติสัมปชัญญะบ้างโดยการฟังธรรมะสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เข้าสู่จิตใจใจที่เป็นแบบนี้ก็จะเจริญได้ดีขึ้นมาได้เราจึงให้มีรายการธรรมะอยู่ในช่วงเช้าเชนั้นในเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยแต่ไปทุกภาคทุวประเทศ ทุกจังหวัดนั่นแหละแต่และจังหวัดก็จะรับฟังได้ตามคลื่นต่างๆกันไปแต่ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้ฟังเมื่อเวลาฟังธรรมะแล้วอาจจะมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามหรือว่าข้อติชมหรือว่าสิ่งใดที่ต้องการจะสื่อสารกับทางรายการแต่ก็ยินดีรับฟังนะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่หน้าไมา้พูดคุยกับท่านผู้ฟังมีคุณเตือนใจมาร่วมด้วยในวันเสาร์อาทิตย์ แต่ส่วนเจ้านหน้าที่อื่นๆที่ช่วยงานอยู่ทางด้านหลังไม้ก็มีคุณปัญญาชมจำปีมีคุณทรงพลชูเบสแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางวิทยุประเทศไทยอีกหลายๆท่านในที่ช่วยกันต้องตื่นเช้ามาเอาเสียงมากระจายเสียงให้ท่านผู้ฟังฟังเนะมีการตัดต่อมีการถอดเทรปรวบรวมข้อมูลเอาไว้ทาเป็นซีดีให้ท่านผู้ฟังต่างๆนี่นี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่อีกหลายๆท่านที่อยู่หลังไม้ที่ร่วมกัน เพื่อให้มีรายการธรรมะรายการดีๆในที่ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่ขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าถือว่าจะมีข้อสอบถามข้อแนะนําหรือว่าข้อที่จะให้เป็นข้อมูลใดๆเก่กับทางรายการเราก็ยินดีรับฟังโดยท่านผู้ฟังสามารถเขียนไปจดหมายหรือว่าเป็นไปรษณียบัตรส่งมาได้ที่วัดป่า ด, ดอนไฮโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ปดตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัด อุดรธานีราเปริณี41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตก็ไปที่เว็บไซต์ puredma.com p, com, p u r e d h a m m a .com ที่นั่นนอกจากจะสามารถจะส่งคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆได้แล้วลก็ยังสามารถที่จะรับฟังย้อนหลังได้ใน ต, ตอนของเมื่อวานตอนของเดือนก่อนๆหรือว่าของปีที่แล้ว ก็จะมีให้ท่านผู้ฟังได้เลือกรับฟังที่เว็บไซต์นั้นก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วก็เทปการบันทึกเสียงของรายการธรรมรบุณในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเราก็จะแจกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยในปีนี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะขอรับซีดีเป็นซีดีทั้งหมด7แผ่นด้วยกันทำการตัดต่อออกมาเรียบร้อยแบ่งสัดส่วนให้ดีจาก8แผ่นก็ เหลือเแผ่นได้ในการที่ท่านผู้ฟังจะขอรับซีดีเหล่านี้ได้แล้วก็ให้ส่งซองเ ป, ปล่าติดสแตมซองเปล่าติดสแตมนี้ต้องเป็นซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตมสิบหาบาทซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตม15บห้าบาทซองกันกระแทกนี้ให้เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองใส่ลงไปตรงนี้ชื่อที่อยู่รหัรสบริษัทต่างๆเขียนจ่ายหน้ให้ชัดเจน เพราว่าซองที่เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตม15บาทนี้จะเป็นซองที่เราจะใส่ CD รายการธรรมราบรุนจํานวน7แผ่นเนี่ยส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังโดยท่านผู้ฟังนั้นจะต้องส่งซองนี้มาให้ที่สถานีวิทยุกระจายเสีงยงแห่งประเทศไทยก่อนโดยเอาซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตม15บาทที่เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยบรรจุในซองธรรมดาอีกซองหนึ่งมาแต่ซองธรรมดานี้ไม่ต้องเป็นซองกันกระแทกก็ได้ พับเจ้าซองแรกนะคือซองที่เป็นกันกระแทกขนาด A4 ที่ติดแสแ ต, เตมเรียบร้อยแล้วจาหน่าเรียบร้อยแล้วนะับพับมาพับครึ่งมาแล้วก็ใส่ในซองธรรมดานี้ส่งมาที่สถานีวิจุกระชายสิงห์ประเทศไทยในะดินแดงกรุงเทพ1น0ะ่งนียวงเล็บมุมซองนิดหนึ่งว่ารายการธรรมรารุนแตส่มาแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดซองนี้ออกมา เจอสองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตม15บาทที่เขียนชื่อที่อยู่ของท่านผู้ฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอาซีดีรายการธรรมรารัต น, นใส่เข้าไปแ ล, แล้วก็ฝากคุณบรุษปรษสียส่งกลับไปท่านผู้ฟังด้วยในปีนี้เรามีพิเศษท่านผู้ฟังนอกจากซีดีรายการธรรมรารัตนญทั้งหมด353ตอนจำนวนทั้งสิ้นเป็นซีดี7แผน่นเราก็มีแผ่นพิเศษเป็นแผ่นโบนสัสให้ นั่นก็คือเป็นเสียงอ่านพระสูตรต่างๆนะที่ข้าพเจ้าได้อ่านเอาไว้เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ส่วนนั้นได้ไปออกรายการของทางสถานีวิทยุกระจายสิง่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษและก็เรียกว่า Radio Thailand ด์ทาง FM 88แแล้วก็ AM 918แต่ถ้าจำไม่ผิดซึ่งตรงนั้นเป็นคลื่นภาษาอังกฤษเราก็ได้เอาพระสูตรที่เป็นธรรมะในเรื่องราวต่างๆนี่แหละแบบที่เรา อันนี้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของฟังทำคำพุท ธ, ธเนี่ยนำมาอ่านเป็นภาษาไทยคู่กับภาษาอังกฤษนั่นก็จะทําได้สักแผ่นหนึ่งนำมารวบรวมเอาไว้ปป obile, เป็นโบนัสซีดีเป็นแผ่นพิเศษนำมารวมทั้งหมดเป็น8แผ่นส่งให้ท่านผู้ฟังด้วยอันนี้เป็นพิเศษให้โดเฉพาะท่านผู้ฟังที่เขียนมาทางจดหมายนำมาขอรับทางไปรษณีย์เราก็จะมีแผ่นพิเศษอันนี้ให้ด้วยแล้วเราจะแจกกันถึงเมื่อไหร่ ท่านผู้ฟังสามารถที่จะทยอยส่งซองเปล่าในะที่เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 นี้มาได้ตั้งแต่บัดนี้เลยแตนะ่เพราะว่าถ้าเรารอไปช่วงปลายปีเนี่ยบริษนะัทก็จะมีงานมากนะจะมีจดหมายตกหลนได้เราชิงทําก่อนตั้งแต่ตอนนี้นะแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังสามารถจะได้รับซีดีเป็นของขวัญปีใหมนะ่ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมได้เลยแตนะ่คิดว่าจะสามารถส่งออกไปให้ท่านผู้ฟังได้หมดทุกคน ใช้ซองเปล่าเป็นซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตม15บาบาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็พับซองนี้ใส่มาในอีกซองหนึ่งซองที่อยู่ข้างนอกนี้เป็นซองธรรมดาก็พอส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ1น0่0ศน่งเล็บมุมซองว่ารายการธรรมารุรณเราได้รับซองแล้ว่ราจะส่ง ซีดีรายการธรรมาราบรุนนี้กลับไปให้ท่านผู้ฟังหรือว่ า, าท่านผู้ฟังใจร้อนอยากจะฟังเดี๋ยวนี้เลยเราก็ไปที่เว็บไซต์ได้ในที่เพียวธรรมะ com จะสามารถฟังย้อนหลังได้ทุกตอนตั้งแต่ของปีที่แล้วและปีก่อนก่อนนู้นด้วยซ้ำจะสามารถที่จะเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดของวันไหนตอนไห น, น, ไหนเรื่องใดในเว็บไซต์เพียวธรรมะ com นั้นจะมีข้อมูลอยู่ตลอดถ้าอยากจะฟังออนไลน์เดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ไปดาวน์โหลดไปฟังกันได้ น, นี้คือสําหรับท่านที่สะดวกทางคอมพิวเตอร์แต่ถ้าไม่สะดวกก็คือสะดวกทางฟังแผ่นซีดีสะดวกในการใช้จดหมายแล้วก็ส่งจดหมายมาอย่างที่ว่าในวันพูดอย่างนี้เราก็จะมาตอบคําถามของท่านผู้ฟังที่ส่งเป็นจดหมายมาบ้างส่งเป็นข้อความมาบ้างก็มีจดหมายของคุณแม่ชีท่านหนึ่งส่งมาจากจังหวัดกาญจนบุรีชื่อคุณแม่ชีดวงใจคุณแม่ชีดวงใจนี้ก็มีความรู้ต่างภาษาบาลี นนในระดับสูงอยู่พอสมควรแล้วก็ได้เขียนจดหมายมานะแสดงความยินดีในะที่มีรายการธรรมะดีๆที่ให้ประชาชนชาวไทยอย่างได้ฟังกันอยู่นะรายการธรรมะท่ฟังมีเยอะแยะมากมายนะในประเทศนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทต่างตามประเทศเขาก็มีทํากันเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยทุกภาษาเขาก็มีทําแต่ธรรมะอยู่ที่ไหนดีทั้งสิน้นธรรมะนั้นบุคคลที่ฟังแล้ว สามารถที่จะใคร่ครวนให้เห็นแจ้งประจักษ์ได้ก็จะรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความทุกข์อยู่พอสมควรแต่ทุกคนทุกชีวิตจะมีความทุกข์อยู่พอสมควรความทุกข์ไม่ว่าจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามพอควรที่จะทนได้บ้างหรือบางคนหนักมากเกินกว่าที่จะทนได้ก็มีในความทุกข์ต่างๆที่เรามีเนี่ยเราควรจะต้องทําให้ถึงความที่จะออกจากทุกข์ได้ ต, ตรงนี้พระรูปเจ้าก็เคยตรัสตวายว่าบุคคลในบุคคลหนึ่งได้ฟังธรรมของพุะรูปเ้าแล้วมีศรัทธาจึงออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะว่าเห็นโทษภัยในปรตสงสารเห็นโทษภัยในความทุกข์ทำอย่างไรถึงจะออกจากความทุกข์นี้ได้ในการที่จะมาอยู่ครองเรือนแล้วก็จะมาปฏิบัติให้รอบรู้เรื่องทุกข์ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั้นมันอาจจะยากในจึงออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือน อย่างคุณแม่ชีดวงใจก็เขียนมาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าก็การที่ออกบวชนั้นก็เพราะว่าเห็นโทษทุกข์ในวัตาสงสารลจึงได้สละโภคทรัพย์น้อยใหญ่ได้สละตำแหน่งหน้าที่การงานสละเครือญาติน้อยใหญ่มาบวชออกจากเรือนเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้ยวยเรือนบุคคลที่ประพฤติพรหมชนตั้งมาังไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบแเช่นขนผมผมเหลืองหรือว่าคนผมผมขาว หรือวนอกรูปแบบเช่นบางคนไปปฏิบัติธรรม3ามวันเจวันส0วันยีบวันบ้างออกจากบ้านไปอยู่วัดออกจากเรือนไปอยู่หลีกเร้นประพฤติพรหมจรรย์นั่คือการรักษาศีล8อย่างน้อยขึ้นไปเนี่ยก็เพื่อที่จะมารอบรู้เรื่องอริยสัจ4ี่ยมุชาบอกไว้ไม่ว่าจะเป็นคนอดีตภายในอดีตคนก่อนๆที่เขาผ่านมาเขาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนก็เพื่อที่จะ เมารู้เรื่องอริยสัจสีคนที่จะมาในอนาคตเขาก็ออกจากเรือนบวชแล้วก็เพื่อที่จะรู้อริยสัจสีหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้แต่คนที่บวชทั้งหลายก็บวชก็เพื่อที่จะรู้รอบเรื่องทุกรู้รอบเรื่องอริยสัจสี่นั่นเองแต่การที่เราจะมารู้อริยสัจสีได้แน่นอนการฟังธรรมะอยู่เรื่อยแตนการใคร่กรนทำ การทรงสุดตะสั่งสมสุดตะอันนี้ช่วยได้แต่พอเราลุกขึ้นมาในยามสุดตาแห่งราตรีทํากิจการงานเรยียงต่างเรียบร้อยแล้วแต่บางคนอาจจะสวดมนต์บ้างบางคนอาจจะนั่งสมาธิบ้างแล้วก็มาฟังรายการธรรมะอย่างในการธรรมารับรุ่นเป็นต้นหรือกับรายการอื่นๆก็ได้ที่ฟังแล้วเราจะเข้าใจฟังแล้วเราจะมีความแจ่มแจ้งในธรรมะหรือถ้าบอกว่ามีคําถามข้อสงสัยใดๆทักเกี่มมาถามกันได้แล้วก็ยินดีจะตอบให้ ข้าพเจ้าบอกให้ท่านผู้ฟังตอนนี้ข้าพเจ้ายัางมีแรงทําอยู่แตนะ่คิดดูนะทุกวันแต่นะวันละครึ่งชั่วโมงจะมาพูดมาพบกับท่านผู้ฟังเนี่ยมันต้องเตรียมข้อมูลนะข้อมูลนะไคร้ครวญพิจารณาแตนะ่คือมันไม่ใช่เหมือนกัรเล่าข่าวนะเอาข่าวมาพูดมาวิจัยมันก็จบไปใช่ไหมแต่นี้นเป็นเนื้อหาธรรมะนะมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องคิดวิเคราะห์พิจารณาใคร้ครวญอ่านแล้ว อ, อ่านอีกนะยังมีแรงทําได้อยู่ แต่คาถามที่ส่งมาแต่เราก็ยังมีแรงตอบไม่ได้อยู่ยังมีเสียงอยู่ยังมีกําลังมีพลังยังมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยได้แต่ก็เพื่อที่จะนําคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเป็นกําลังใจให้ข้าพเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นกําลังใจให้ข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้านี่สามารถที่จะมีกําลังมีพลังในการที่จะศึกษาหาข้อมูลและท่านผู้ฟังได้ลองฟัง รายการธรรมารัปรุณเอาสอปีที่แล้วอะสปีที่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้จะพบว่ามันมีความแตกต่างกันในเรื่องความลึกซึ้งมีความแตกต่างกันในเรื่องของการกําหนดบทเพียนชนะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเนื้อหาที่นํามานําเสนอแล้วเราจะสังเกตได้ว่าธรรมะเนี่ยพพุทเจ้าสอนอยู่ตั้ง45ปี ่ก็สอนเรื่องเดิมอ่ะศีลสมาธิปัญญาสอนเรื่องเดิมอ่ะอริยสัจสีก็สอนเรื่องเดิมอ่ะทุกสมุทัยนิโรธมาก็สอนเรื่องเดิมนั่นแหละผู้แอามักแปดทำยังไงไม่เหนีออกไปจากนี้สอนอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ซ้ํากันมีความหลากหลายมีความแตกต่าง น, นในเรื่องของเนื้อหาการเข้าถึงการดำรงอยู่นหลากหลายแงยม่มุมและมีทรัพย์สมบัติอยู่มากมายอันนี้พระชาเปรียบเที่ยวไวเหมือนในมาหาสมุรทรจำฟังเหมือนในมาหาสมุทร เราคิดว่ามีอัญมณีแล้วก็คงจะมีอยู่ประเภทเดียวหินที่มีค่าแต่ถ้าคุณเรียกรวมมันก็มีแค่ประเภทเดียวแต่ในอัญมณีนั้นก็จะมีโอหลากหลายอย่างแต่สีแดงสีเขียวสีขาวๆใสๆเขาก็เรียกว่าเพชรแต่เพชรก็จะมีอีกหลายประเภทแต่สีเขียวเขาก็เรียกว่ามรกตมรกตก็มีหลายอย่างหยกก็เป็นสีเขียวเหมือนกันสีแดงแล้วก็เป็นทับทิมทับทิมนี่ก็มีหลายอย่างโกเม็ดนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้มีหลากหลายอย่างมากอันนี้คือประเดี๋ยวเกี่ยวกับอัญมณี ในทะเลนี่ก็เหมือนกันคำฝันดีมุชาเปรีบเทียบ ว, ว่ามีอัญญมณีอยู่หลากหลายอย่างมีสมบัติอยู่หลากหลายอย่างในธรรมะวินัยนี้ก็เหมือนกันคะฟันเราคิดว่าเออก็ธรรมะก็จบไปใช่ไหมถ้าเราจะเรียรวมก็มีอย่างเดียวแต่ในธรรมะนั้นมีหลากหลายอย่างมีคุ้มสมบัติมีทรัพย์สมบัติอยู่มากมายเยอะแยะไปหมดนมาพูดกันแล้วพูดกันอีกซ้ำไปตรงนี้พูดไปตรงนี้ก็เป็นแง่มุมใหม่ออกมาแต่มีเรื่องที่ทําให้เรา สามารถศึกษาเข้าถึงเข้าใจทําความแจ่มแจ้งได้ดีแต่ น, นี่มันมีความลึกซึ้งอยู่ข้างในแต่ตอนนี้เราเหมือนเราได้ขุมทรัพย์แนะท่านผู้ฟังแต่เรามีขุมทรัพย์ที่มีค่าคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่กับเราแล้วแตเราจะไปหาสิ่งอื่นเรื่องอื่นเนี่ยไม่จะเป็นการเสียเวลาแลเรื่องนั้นสิ่งนั้นเราไปหาเราไปเรียนเราไปกุดกุ้ยเราไม่ได้จะนําความทุกข์ให้มันหมดไปด้วยซ้ําแต่ข้าพเจ้ามัเสียได้นะท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าเอง เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมาเยอะแยะในสมัยตอนที่เราเป็นกะลาวา่าตแต่ความความรู้ความเรียนอะไรต่างๆที่เราเรู้มาเรียนมานี่ไม่ได้ช่วยทําให้เราดับทุกข์ได้เลยแต่ความทุกข์นั้นไม่ได้ลดลงไปจากความรู้ที่เราเรียนมากขึ้นจะเรียกความรู้ก็ได้หรือบปลก็ไม่รู้เพราะมันไม่ได้ช่วยให้เราดับความทุกข์ได้มันน่าจะเป็นปัญหาซะมากกว่าแต่แต่ว่าอย่างไรก็ตามคนทั่วไปเขายัางนิยมเรียกว่าเป็นความรู้แต่เช่นคุณไปอ่านหนังสือบางประเภท คุณไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญาเอกแต่ถ้าความรู้เหล่านั้นน่ยไม่ได้สามารถที่จะช่วยทําให้ดับความทุกข์ได้เนี่ยมันไม่ได้ทาให้เกิดปัญญาแต่ปัญญาเป็นสิ่งที่จะทําให้เราสามารถที่จะดับความทุกข์ได้วางได้ละได้ความรู้เหล่านั้นจะถึงจะเป็นปัญญาให้เราได้แต่ถ้าบูกว่าไม่ได้ช่วยดับทุกข์มันก็เป็นแค่ข้อมูลที่เฉยเป็นแค่สิ่งที่จะให้เรารับทราบเฉยจะไม่ได้ช่วยดับทุกข์อะไรได้ แต่ความรู้ความเรียนที่เราเรียนในทางคําสอนของพุท ธ, ธะเอาเรื่องงอ่ายๆเช่นเรื่องของศีลหรือถ้าจะเอาเรื่องลึกซึ้งอาจเช่นเรื่องของโพชงเรื่องของพรมวิหารสีอย่างเงี้ยสามารถที่จะช่วยเราดับทุกข์ในชีวิตประจําบันของเราได้ทันทีอันนี้เอามาปฏิบัติเอามาใช้เอามาทำนอกจากตัวเราจะได้ประโยชน์แล้วลคนหนึ่งก็ยังได้ประโยชน์ด้วยและสวัสดีคําถามหนึ่งที่มาในวันนี้ะเป็นคําถามของท่านผู้ฟังที่มาจากทางประเทศซอปปอลาว ก็คือเมืองเวียงจันทร์นันกข่าวหลวงเวียงจันทร์ก็สามารถรับคลื่นสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้แล้ก็มีท่านผู้ฟังที่อยู่ที่นั่นนั่นชื่อว่าคุณต้นคุณต้นนี้ได้ฟังรายการแล้วก็มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะั่ถามมาอย่างนี้ว่าถ้าบอว่าต้องการที่จะไปอยู่ป่านะั่ไปอยู่ป่าเนี่ยควรจะต้องอยู่อย่างไรบ้างนั่นะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรนันะถามมา ว่าอย่างครูบาอาจารย์ที่เข้าไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่เซนาสนะปะ่านั้นท่านทําอย่างไรต้องให้ข้อมูลนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการไปอยู่ป่าแต่คือพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้แนะนําอยู่แล้วว่าให้สาวกทั้งหลายเสพเสนาสนะอันสงัดนะมีอะไรบ้างเสนาสนะสงัดป่าใช่โค่นไม้ก็ได้แตนะ่ถ้ามันจะเงียบสงัดหรือว่าเป็นป่าช้า ป่าชา้าผีดิบ ป, ป่าชา้าฝังศพพวกนี้คนเขาไม่ค่อยเข้าไปกันแล้วเราก็ไปอยู่ตรงนั้นก็ได้นะเพื่อใมีความสงัดเกิดขึ้นบางทีอาจจะเป็นเงื้อมผานะเป็นริมลาําธารหรือว่าถ้าตามทุ่งหญ้าทุ่งนาเขาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะเราไปอยู่บริเวณลอมฟางเมืน่อะเขาเก็บเกี่ยวแล้วมีฟางเขาเข้ามาทําเป็นลอมฟางเอาไว้นะเราไปพักอยู่แถวนั้นเพื่อให้เกิดความสงัดก็สามารถทําได้นะหรือแม้แต่เรือนว่างก็ได้ เรือนว่างก็เป็นสศาสนาอันสงัดด้เหมกันอย่างเช่นว่าในบ้านเราต้องเรามีห้องพร ะ, ะเป็นห้องว่างๆที่ไม่มีใครอยู่ไม่ได้ใช้ทํากิจกรรมอะไรหรืออาจจะเป็นห้องนอนของเราก็ได้เราลุกขึ้นมาในยามสุดท้ายของราตรีแตรงนี้เป็นเรือนว่างเป็นห้องว่างก็พอจะเป็นได้เหมือนกันแต่ถ้ามันไม่มีเสียงอึกทึกกึโครมไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆมากเป็นห้องที่อาจจะมีเฟอร์นิเจอร์หรือมีอุปรกรณ์ต่างๆอยู่แต่แต่ว่าไม่ได้มีกิจกรรมอื่นนะสงัดเงียบ อันนี้สามารถใช้เป็นเสนาสนะอันสงัดได้อันนี้คือลักษณะของป่าแตป่าในที่นี้คือหมายถึงเสนาสนะอันสงัดที่เราจะไปอยู่ได้แล้วไปอยู่เสนาสนะอันสงัดเนี่ยไปอยู่เพื่ออะไระจุปดประสงค์ของการไปอยู่เสนาสนะอันสงัดเช่นปา่าเรือนว่างโคนไม้พวกนี้เนี่ยเพื่ออะไรแล้ก็เพื่อที่จะได้ไดปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้อยู่หลีกเล้นตัวพระเจ้าเองทําเป็นตัวอย่างนะเพื่อนแต่บาีก็ไปอยู่ป่าอยู่ละป่าเนี่หมายถึงอยู่ราวป่า อยู่ใต้โคนไม้ที่มันจะเงียบเงไม่มีคนพลุกกลั่นอยู่สัก 3- 4วันบ้างะบางทีก็อยู่ครึ่งวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างบางทีก็ไปทําแต่ทําอยู่เป็นประจำก็เรียกว่าการหลีกเล่นซึ่งการหลีกเล่นตัวนี้ก็แนะนําให้ทําอยู่เป็นประจำอาจจะอยู่วัดนะเช่นวัดป่านะวัดป่าก็อาจจะไม่เหมือนป่าจริงๆนะวัดป่าก็า จ, จะเป็นป่าที่มีการควบคุมอยู่บ้างอาจจะไม่เหมือนกับป่าจริงๆแต่ว่าวัดป่าบางแห่งก็เป็นป่าจริงๆก็มี ก็มีบางแห่งที่ยังรักษาตรงนั้นอยู่ทีนี้ประเด็นตรงนี้มันมีนิดหนึ่งตําหวังพระเจ้าเคยบอกกับท่านพระอุบาลียกตัวอย่างอย่างนี้บอกว่ามีช้างตัวหนึ่งสูง14ฟุตหรือ15ฟุตช้างตัวนี้ก็ลงสู่แม่น้ำนนเอาน้ำถูหลังบ้างถูหัวบ้างแล้วก็เล่นน้ำอยู่ในแม่น้ำนั้ น, น, นตามความพอใจแล้วก็ขึ้นมานนมีกระต่ายตัวหนึ่ง เห็นช้างตัวนี้ทําอย่างนี้แล้วก็จะทําบ้างทีนี้แล้วก็เลยกระโดดลงไปในแม่น้ํานั้นเราคิดว่าจะเอาน้ําล้างหัวล้างหลังเหมือนที่ช้างทําแต่แต่ว่าพอกระโดดลงไปเท่านั้นเองแล้วก็ถูกกระแสน้ําพัดปลิวไปเนื่อเพราะว่าช้างตัวใหญ่และต้งฟังแต่ว่ากระต่ายมันตัวนิดเดียวเนืถ้าเปรียบเทียบกับช้างพระเจ้าอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าคนที่อยู่ป่าเนี่ย ในป่าที่น่าสะปึงกลัวเนี่ยบางทีมันทําให้เราตกใจทําให้เรากลัวจิตแตกได้ถ้าเราไม่มีสมาธิคุ้มครองจิตใจอยู่เนี่ยการอยู่ป่าเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความกลัวอาจจะทําให้ยิ่งจะขวัญห น, นีดีฟอเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเปรียบเหมือนกับกระต่ายคือถ้าเราเห็นคนอื่นเขาเข้าไปอยู่ป่าเออครูบาอาจารย์นั่นก็ทําครูบาอาจารย์นี้ก็ทําเออมันน่าจะดีแล้วเราก็น่าจะไปทําด้วยอันนี้ก็ใช่อยู่แต่ทีนี้จะไปทําอย่างนั้น จิตใจก็ต้องมีสมาธิอยู่ในระดับที่มันจะพอเป็นที่ตั้งที่มั่นได้แนี่นเพราะว่าป่าบางแห่งมันก็น่ากลัวหรือสถานการณ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปอาหารเรื่องน้ําดื่มเรื่องปัจจัยสี่เ น, นมีความยากลําบากเ น, นก็ต้องมีความอดทนซึ่งจะอดทนต่อความกลัวบ้างความอดอยากต่างๆเหล่านั้นบ้างแจิตใ จ, จต้องเข้มแข็งพอสมควรเนีนจะต้องมีสมาธิซึ่งในที่นั้นก็จึงแนะนําให้ท่านพระอุบาลีเนี่ยอยู่กับหมู่สงฆ์ซะ ในอยู่ที่วัดซะเนี่ยไม่ได้ออกไปอยู่ป่าผู้เดียวแตะพระอาจาได้ตรัสกับท่านพระอุบาลีย์เตรัสไว้ตรงนี้อย่างนี้ว่าอุบาลีเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ได้ยากความวิเวกทําได้ยากความยินดีในการอยู่ผู้เดียวเป็นสิ่งที่ยินดีได้ยากป่ามักจะนําไปเสียซึ่งใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิ ถ้าผู้ใดจะพูดว่าเราไม่ได้สมาธิเราจะไปอยู่ในเสนาสนะอันสงัดคือป่าหรือป่าเปลี่ยวดังนี้คือสิ่งที่เขาปึงหวังได้ในข้อนี้คือจิตจกจมลงหรือจิตจเปลิวไปเรียงเหมือนห้วงน้ำใหญ่มีอยู่มีช้างพลายสูง14ฟุตหรือ15้าฟุตมาสู่ในที่นั้นแล้วคิดว่า เราจะลงสู่ห่วงน้ํานั้นแล้วเล่นน้ําล้างหูบ้างเล่นน้ําล้างหลังบ้างแล้วพึงอาบพึงดื่มพึงขึ้นจากห่วงน้ํานั้นแล้วหลีกไปตามปรารถนาดังนี้ช้างนั้นกระทําได้ดังนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าช้างนั้นตัวใหญ่จึงอาจอย่างลงในห่วงน้ําลึกได้แต่กลางนั่นแล มีกระต่ายหรือแมวป่ามาเห็นช้างนั้นแล้วก็คิดว่าช้างจะเป็นอะไรที่ไหนมาเราก็จะเป็นอะไรที่ไหนไปเราจะลงสู่ห่วงน้ำนี้แล้วเล่นน้ำล้างหูบ้างเล่นน้ำล้างหลังบ้างแล้วพึงอาบพึงดื่มพึ่งขึ้นจากห่วงน้ำแล้วหลีไปตามปรารถนาดัางนี้กระต่ายหรือแมวป่านั้นก็กระโจนลงสู่ห่วงน้ำนั้นโดยไม่พิจารณา ผลที่มันหวังได้คือจมดิ่งลงไปหรือลอยไปตามกระแสน้ําข้อนั้นเพระเหอกไรเล่าเพราะว่ากระต่ายหรือแมวป่านั้นตัวมันเล็กจึงไม่อาจอย่างลงในห้วงน้ํำลึกได้ข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นคือบุคคลที่กล่าวอยู่ว่าเราไม่ได้สมาธิจะไปอยู่ในเสนาสนะอันสงัดคือป่าหรือป่าเปลี่ยวดังนี้ สิ่งที่เขาพึงหวังได้คือจิตจกจมลงหรือจิตจะเปลี่ยวไปอันนี้คือพุทธพจน์ที่ได้ตรัสไว้กับท่านพระอุบาลีและในที่นั้นก็ได้แนะนําให้ท่านพระอุบาลหรี่ย์อยู่ในหมู่สงฆ์ซึ่งในการต่อมาท่านพระอุบาลีก็สามารถที่จะทําความเพี่ยนอยู่ในเรือนว่างที่วัดนแหละแล้วก็บรรลุเป็นพระอารหันต์ได้ทีนี้ประเด็นถ้าบอกว่าเรามีสมาธิแล้วเราจะไปอยู่ในป่าจริงๆแต่แน่นอนว่าเราจะมีข้อปฏิบัติที่เรียกว่าอรัญญิกวัด แต่หรับภิกษุที่อยู่ป่านี่ยจะต้องรู้ดาราศาสตร์ในการที่จะรู้ทิศทางและนี้พระเจ้าเคยบอกไว้น่ยจะต้องรู้แนวทางรู้เส้นทางอะไรอย่างดีต้องรู้จักการที่จะทําข้อวัดต่างๆแต่นคนที่อยู่ป่านี่จะต้องลุกขึ้นในเวลายามสุดท้ายของราตรีเน่ยเจริญเมตตาภาวนาจะมีข้อปฏิบัติที่เขาเรียกว่าเป็นอรัญญิกวัดนั่นคือข้อปฏิบัติของภิกษุที่อยู่ป่ า, าอยู่หลาย10บข้อด้วยกัน อันนี้คิดว่าอยู่ในตามหนังสือวินัยของพระก็เรียกว่าข้อวัด14อย่างเนี่มันก็จะมาคู่กับทุ้ดง13บสามนะเาจะใช้คําเรียกที่เรียกคู่กันไปว่าตุ้ดง13วัด14แล้วข้อวัด14อย่างก็ยังมีอย่างเช่นอริยวัดอุปชัยวัดแล้วก็วัดที่จะต้องปฏิบัติกับอุปชาอาจารย์เรื่องเสนาสนะวัดแล้วก็ปฏิบัติที่จะต้องควรทํากับเสนาสนะทําความสะอาดยังไง เรื่องของการอยู่ป่าและก็มี เ, เรียกว่าข้อปฏิบัติของการอยู่ป่าเพื่ อ, อรันยิกวันนะซึ่งเป็นหนึ่งในข้อว่า14อย่างและก็ครูบาอาจารย์ท่านก็ทําอย่างนั้นกันมาและมีตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปูเงป่เช้าหลวงตาหมาบัวในสมัยที่ท่านยังทําความเพียรอยู่วิเวกหลีกเล่นตามป่าตามภูตามเขาและท่านก็มีข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านั้นและก็สามารถทําได้นะถ้าบอกว่าเราฝึกจิตฝึกใจให้มีความมั่นคงพอสมควร มีความเข้มแข็งพอสมควรนต่ไม่ได้ตกใจอะไรง่ายเกินไปนะเพราะว่าในป่าบางทีมันก็มีใบไม้หล่นลงมามีเสียงสัตว์เดินมันก็จะตกใจได้แตนะ่ซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราหาอ่านในประวัติของครูบาอาจารย์หลายๆท่านท่านก็จะเล่าเอาไว้เหมือนกันแตนะ่บางท่านก็ยังเล่าถึงเพื่อนผู้ปฏิบัติประพฤติด้วยกันนะจิตใจไม่มีสมาธิก็เป็นบ้าไปเลยก็มนะีหรือบางทีก็เล่าถึงตัวท่านเองนะกลัวเสือกลัวช้าง พอไปเจอมาแล้วก็ขจัดความกลัวนั้นได้แล้วก็เห็นธรรมขั้นลึกซึ้งขึ้นไปอันนี้ก็มีเล่าในประวัติของท่านต่างๆอยู่ก็เป็นข้อมูลที่ดีต้องฟังและเป็นกําลังใจให้เรามีการประพฤติปฏิบัติและแน่นอนการที่เราเสพไซนาสนะอันสงัดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนอาจจะเป็นคนไม้เรือนว่างป่าหรือว่าที่ไหนกแ็แล้วแต่นที่มันจะสงัดเงียบเป็นที่ทําการรับของมนุษย์มีลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกน้อย นะไม่มีเสียงเอือตึกกึ่โครมอันนั้นให้ยินดีในสถานที่แบบนั้นนะให้อยู่ส ง, งัดอยู่ได้นะ่จะเป็นการดีก่อนจากการวันนี้ก็มีเรื่องจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบเกี่ยวกับเรื่องการที่ข้าพเจ้าจะไปแสดงธรรมนอกสถานที่คือในช่วงวันที่28、29 31ตกตุลาคมแล้วก็หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยจะเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่มีการแสดงธรรม โดวันที่28่สและยีตุลาคมก็จะอยู่ที่กรุงเทพมหานครวันที่28ตุลาฯนั้นก็จะแสดงทำเรื่องการทํำงบประมาณตามที่บุรุษเจ้าสอนมีการจัดทํางบประมาณอย่างไรที่บริษัทปตทสอผอในบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็วันที่29ตุลาคมนั้นก็ที่ฮอนจดหมายเหตุท่านผุ้รัฐาธแต่ตรงบริเวณสวนรถไฟถนนวิภาวดีรังสิตเหมือนกันใกล้ๆกับปนทนตทสอผอแต่ท่านต้องฟังต้องการจะไปฟังที่นั่นกครอยู่ใกล้ๆ สามารถไปฟังได้วันที่2 8เลข4 9ตุลาคมช่วงตอนเที่ยงถึงบายมงครึ่งโดยวันที่28ที่บริษัทปาตทสพวันที่29นั่นก็ที่หอจุดหมายเหตุพุท ธ, ธาธิที่กรุงเทพนั่นก็สามารถที่จะติดต่อหาข้อมูลได้เพิ่มเติมาจากคุณชยาพิษหมายเลข025376401คุณชยาพิษ025376401 ส่วนในวันที่31ตุลาคมและ ว, วันที่1พฤศจิกายนนั้นก็จะไปที่จังหวัดเชียงใหม่โดยในวันที่31ตุลาคมจะก็จะแสดงตามที่มาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ตอน9โมง9โมงครึ่งจนถึงประมาณตอนเที่ยงส่วนในวันที่1พฤศจิกายนในที่จังหวัดเชียงใหม่ที่วัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แต่ตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งถึงเวลาประมาณตอนเที่ยง ทาผู้ฟังที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในจังหวัดเชียงใหม่ถ้าสนใจที่จะไปฟังก็สามารถที่จะติดต่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก on, ด็อกเตอร์จิราพรหมายเลข0814444393หรือว่าดรปุโปเวสศูนย4แปดสี 3. ที่เชียงใหม่นั้นก็สามารถติดต่อกับดรจิราพรหรือว่า ed, ดรปุปเวสตามหมายเลขที่ได้ให้ไหว้นี้ วันนี้เวลาหมดแล้วทุกผู้ฟังข้าพเจ้าพระไพบูุ์ก็ขอลาไปก่อนสุนันท์พราน